วันนี้บังไฟพญานาคขึ้นนำข ง, งสงใสกุมของเข้าจะไปเบิงพญานาคกต่ทิมิยีไดโน่จะไปเบิงยังเบิงบังไฟพญานาคเบิงหัวใจเจ้าของเข้าดีกว่าเบิงบังไฟพญานาคเบิงย่ำใดกับบพัฒนาบังไฟพญานาคแดงโจโลขึ้นมาเท่านั้นแหะเบิงย่ำใดตั้งแต่ผุตั้งแต่ปู่แต่ปู่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ยังแดงโจโลขึ้นเงาอยู่แสดงว่าบังไฟพญานาคมันดีเห็ดดีแล้วนะ เท่านั้นวันละไปบอกคือบางไฟญี่ปุ่นเด้บางไฟญี่ปุนะ่นเน่ยแตกตุ่งก็มาเป็นดอกเป็นดวงวันละเปหูบสัางหูบมาหูบนั่นหูบนี้แต่บางไฟพญายนาคจะมัดเก่งขนาดแบบมีแต่แสงสี เ, เหลือๆเท่านั้นเลยนโจรโู้กันมานะี่เพราะนั้นเทาจะเปเบิ้งยังเบิ้งหัวใจของเฮาดีกว่าวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งในหลักในทางพระพุทธศาสนา ในเย็นนี้พวกเราก็ได้ไหว้พระสวดมนต์จบลงสักครูนี้วันนี้มีกิจกรรมตอนบ่ายก็มีพระสงฆ์ทำพิธีประวรณาออกพรรษาพอตกเย็นมาพวกเราก็ได้ไประชุมกันทาวัดไหว้พระสวดมนต์วันนี้เป็น วันออกพรรษาปีพุทธศักราช2552วันนี้ตรงกับวันที่สตุปลา2552เป็นวันออกพรรษาของพวกเราเพราะนั้นพวกเร า, อ, าอุบาสิกาตลอดถึงพระสงฆ์ได้ร่วมกันส่วนพระสงฆ์ก็พบวันออกพรรษา วันประวรณาที่ได้บวชในพระพุทธศาสนาก็ครบสามเดือนผู้ที่จะออกไปเป็นคราวาด์ก็ได้ครบสามเดือนแล้วก็จะได้เตรียมตัวแต่ผู้ที่จะดำรงทรงศาสนาอยู่ต่อไปภายภาคหน้าก็าตั้งอกตั้งใจแต่คณะศรัธทธาญาติโยมเมื่อตัง้งจิตอธิษฐาน ว่าในพรรษา 2,552 นี้ข้าพเจ้าจะมีความคำสัตย์คำจริงอะไรกับตัวของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนอย่างไรในปี 2,552 พวกเราก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนเข้าพรรษาวันนี้ก็เป็นวันจบลงละละที่นี่สามเดือนประสบความสำเร็จขาดทุนกำไรอย่างไร โกหกตนเองหรือว่าเป็นความสัตย์จริงกับตนเองก็ไม่มีใครรู้ตัวของเรานั่นนะรู้กว่าทุกๆคนเพราะตัวเองได้ตั้งคําสัตย์เองคอยนั้นให้พวกเราตรวจตราดูนะอย่าให้โกหกตัวเองถ้าโกหกถ้าว่ามันมีความจําเป็นเราก็คล้ายๆกับว่าชดเชยนะลักษณะยอย่างนั้นอะ่ะชดเชยอีกให้มันเต็มตื้นขึ้นให้มันเต็มบริบูรณ์ จะให้ขาดตกบกข้องในการตั้งจิตอธิษฐานของตนเองเอาไว้นะแล้วก็พระสงฆ์ท่านก็ได้ประวรัติาอย่างมื้อเช้าหลวงพ่อก็ได้พูดแนวความคิดมากลากหลายให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่ตอนเย็นนี้หลวงพ่อก็จะได้กล่าวให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอีกในแง่มุมหนึ่ง ว่าวันออกพรรษานี่หรือว่าวันตักบาตรเทโบอย่างเนี้ยพวกเราก็ได้หายสงสัยพอหลวงพ่อเป็นผู้ศึกษาอยู่ในภายในพวกาาศรัทธาญาติโยมเนี่ยมีหน้าที่ธุระการงานมากที่จะได้มาศึกษาให้ท่วนทีก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะนั้นหลวงพ่อพอที่จุดไหนที่จะพวกเราจะได้ศึกษาเข้าใจหลวงพ่อก็พยายาม นำจุดนั้นมาประกาศมาบอกกล่าวให้แกพวกเราได้ฟังได้ศึกษาทำไมวันนี้จึงเป็นอย่างนี้ทำไมวันนั้นจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นทำไมจึงมีคำนี้ขึ้นมาอย่างนี้หลวงพ่อจะได้บอกกล่าวให้แกชนะจัตทายาญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกที่ยังไม่ได้ศึกษาในตำรับตาราในพระไตรปิฎก วันออกพรรษานี่เป็นวันสำคัญของฝ่ายพระสงฆ์อย่างมากอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้าพรอได้มีการประวารณาต่อกันการประวารณาคล้ายๆว่าแบะไตเงมืนกนเะให้แก่หมู่พวกเพื่อนว่ากล่าวตักเตือนเราได้อย่างหลวงพ่อเนี่ยก็ไม่ได้ถือทิฏฐิมานะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านพาพระพุทธองค์ประพฤติตนมาแล้ว พูดอย่งงางนั้นได้คือพระพุทธองค์อยู่ในถ้ำกลางสงฆ์พุทองค์เลยแสดงความจํานองว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายเห็นเราตถาคตทําสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องพูดสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นที่ไม่สบายใจกับเราขอให้ว่าก็เอาตักเตือนบอกเราได้เนอะพระพุทธเจ้าแท้ๆท่านก็นยังประกาศอย่างนั้นจนพอถึงภาษารีบุตรจึงนั่งกระยงปนุมพงศ์โอ้ยพระพุทธองค์ ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สดับพระพุทธองค์เป็นผู้เต็มพร้อมบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ควรจะกล่าวลักษณะอย่างนั้นแหละมันจะไปขอพระองค์อย่าได้กล่าวอย่างนี้อีกเลยพวกข้าพระพองค์เป็นผู้สดับเป็นผู้รับโอวาทของพระพุทธเจ้าขอพระพองค์จงแนะนําสั่งสอนพวกข้าพระองค์ตลอดไปเถิดอันนี้คือภาษานิ่บุตรกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ บ, บอกเออบางทีอาจจะมี เพราะฉนั้นเราจะได้ประกาศประวัลนาในสงฆ์นี่แหละอันนี้คือตัวอย่างที่ดีสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายพุทธศาสนิกนชนเพราะว่าความผิดความถูกนั้นไม่ได้อยู่กับผู้ใดใครผู้หนึ่งพร้อมที่จะผิดพร้อมที่จะถูกได้ทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเปิดใจกว้างให้แก่หมูนะ่คณะกลุ่มคณนะหรือว่าทุกคนที่อยู่ในใกล้เราในวง สาคนาญาติของเราที่อยู่ในกลุ่มของเราสำนักงานของเราจะเนี่ยกระว่าเกา่าตักเตือนกันได้อันนี้เป็นผลดีเปิดใจกว้างต่อชุมชนต่อกลุ่มของเรานะพวกกลุ่มของเราก็จะไม่ได้อึดอัดตัวกันถ้าพร้อมที่จะบอกกล่าวและทําความเข้าใจผู้สรุปแล้วก็คือกันเองเหมือนกันแตนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลายชั้นเชิงนะมีหลายมิติ ไม่หลายแนวความคิดคือวันนี้เป็นวันปรนาของพระสงฆ์เมื่อตอนบ่ายนี่วัดหลวงพ่อก็ได้ทำประชุมสงฆ์แล้วก็ทำปรวรณากันเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแตเป็นอันว่าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนี่ผ่านไปแล้วยังเหลือแต่สองพันห้าร้อยห้าสิบสามแต่นี่แต่ว่าไม่ใช่ผ่านแต่พอศสอ น, น, นะนะไม่ใช่ผ่านแต่วันคืนเดือนปีนะ ชีวิตของพวกเราก็แก่ไปด้วยปีนีแก่กว่าปีที่แล้วพวกเราเนี่ยแก่ไปทุกปีทุกปีทุกปีผ่านไปเพราะนั้นพวกเราอย่าไปคิดว่ามันผ่านไปแต่วันคืนเดือนพศออผ่านไปแต่ว่าพันศาเท่านั้นนะมันเอาชีวิตของเราผ่านไปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอันนี้แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเป็นการกล่าวย้ำเตือนจึงกันและกันแล้วเตือนแล้วได้อะไรหลวงพอ่อ เตือนแล้วก็คือให้พวกเราให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็ให้สังสมบูรณ์กุศลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอย่าไปคิดออกนอกหลู่นอกทางทำออกนอกหลู่นอกทางพูดออกนอกหลู่นอกทางนอกหลู่นอกทางคืออะไรคือสิ่งที่ไม่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์มีแต่ให้โทษะอย่าไปทำสิ่งที่มันเกิดโทษให้โทษทำแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ อันนี้ก็คือให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือให้ทำแต่สิ่งที่เป็นคนุณเป็นประโยชน์สิ่งที่มันทิ้งทิ้งว่างคว่างสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์อยา่าคิดอย่าพูดอย่าทำอันนี้ก็คือเป็นการกล่าวย้ำเตือนซึ่งกันและกันที้มาพูดถึงวันที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาบนชั้นสวรรค์ทีไในพระไตรปิฎกเนะ่เป็นเหตุมาอย่างไร ในพระไตรปิฎกในเรื่องนี้ยาวพอสมควรนะยาวพอสมควรที่ผลวงพอได้อ่านได้ศึกษาอันดับแรกก็คือความเป็นมาก็คือพระปิณโทรทรวัชชะท่านจํนาบรรษาอยู่ที่ภูเขาภูเขาคิจกูดว่างั้นเถอะตีนเขาทูเขาคิจกูดในกรุงราชคือทีนี้กรุงสวรรค์ถีเขไม่รู้ หลวงพ่อก็จําไม่ถนัดไปจุดนี้ให้พวกเราไปค้นดูตําราอีกนะแต่ว่าจําำรรษาแต่มีเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละพระรหันเนี่มีหรือเปล่านาะในโลกนี่ถ้ามีแล้วจะรู้ได้อย่างไรคนนั่นก็ว่าข้าเป็นพระรหันคนนี้กับข้าเป็นพระรหัน์ครูทั้งหกนี่ ในครั้งพุทธการประกาศภาษาศาสนาแข่งกันว่างั้นแต่ข้าก็ว่าข้าเป็นพระรหันต์้วยกันทั้งนั้นพราะพุทธเจ้าก็ว่าคือพระรหันต์ภาษาวกของพระพุทธเจ้าก็คือพระรหันต์คือพระรหันต์ไปว่าเลิศประเสริฐที่ในยุคสมัยนั้นแปลว่าเป็นบุคคลที่ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหนือด็อกเตอร์อีกเป็นโปรฟิเซอร์ว่างั้นแต่เหนือใครๆคใครทั้งหมดในเรื่องจิตวิญญาณ เป็นผู้ยอดเยี่ยมที่สุดหาที่ตำหนิไม่ได้เขาบอกพระหรหันแล้วทีนี้พวกกลุ่มเศรษฐีเขาก็เออพระหรหันมีอยู่ในโลกหรือเปล่าน่าทีนี้เขาได้ปุ่มปุ่มจันแดงมาจากป่าหิมพาน์มันก็คงจะลอยน้ําตกปุ่มตะปองตกปุ่มตกปอง ม, ม, มาบ้งไม้ที่มันหล่นมันอยู่ในป่าหิมพานมันหล่นมาอย่างไงก็ไม่รู้มันก็เป็น เป็นปุ่มเหมือนงั้นเนี่ยลอยมาทีนี้เขาก็ไปเอามาได้เโออันนี้เป็นไม้จันแดงเป็นไม้ราคาดีมากเป็นไม้เป็นที่ยอมรับของคนในยุคนั้นไปนไม้หายากเหมืองั้นเถอะทีนี้เศรษฐีจันน์ก็เลยได้มาก็ซื้อเขาราคาแพงเลยเหมงั้นเถอะซื้อไม้ตะปุ่มไม้จันแดงปุ่มนั้นเหมือนงั้นเถอะเหมือนกับปุ่มมะข่าอย่างนั้นอ่ะมากรเลยมาทําเป็นบาทเป็นบาท ทำเลยสวยบาดมาบนั้นเสร็จแล้วก็บมาขัดเรียบร้อยแล้วกัประกาศกะเะนี<อ>่พระละหันท่าว่าพระละหันมีจริงข้าพเจ้าจะเอาบาทไม้จันไ์ใบเนี้ยขึ้นไปยอดไม้ไผ่ลําไม้ไผ่หกสิบศอกถ้าว่าผู้ใดเหาะขึ้นไปเอาได้ผู้นั้นก็เอาไปเลยข้าพเจ้าจะนับถือผู้นั้นมอบกายถวายชีวิตข้าพเจ้าจะนับถือเลื่อมใสศรัทธา ว่าองค์ น, นั้นเป็นพระอระหันต์ถ้าว่าผู้ใดขึ้นเอาไม่ได้ข้าพเจ้าก็เออในยุคนี้ไม่มีพระอรหันต์แล้วมีแต่พูดแต่ลมปากเฉยๆข้าพเจ้าจะไม่นับถือศาสนาอะไรทั้งหมดเศรษฐีประกาศสักเคเทพพระเจ้านะเว้ไม่ไผ่ลานะั้นสงสัยจิคงจะให้มันลื่นแล้วก็คงจะเอาน้ํามันมะพร้าวทาอีกต่างหากในหลวงพ่อว่านะถ้าใครจะปีนขึ้นไปก็คงจะ ปีนขึ้นไปไม่ได้เท่านั้นเะทีนี้ก็ไปเทงไว้เอาไปไว้ตรงยอดไม้ไผ่เท่านั้นอนะ่ะมัดไว้อย่างดีเท่านั้นเถอะทีนี้พวกศาสนาอื่นสมัยนั้นมีหกหกศาสนาเลย ว, วะพวกนิครณพวกนิคนศาสนาของเขาก็โอ้โหพวกชีปงชีเปืยก็มีพวกมันมีหลายอย่างเยอะเหลือเกินเท่านั้นเถอะใครก็ว่าใครเป็นพระหรหันอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องตน้นจากนั้นก็ เขาก็เข้าไปหาเศรษฐีเอาลงไม้ดีๆเถอะนะอย่าไปให้แสดงฤทธิ์แสดงเดชเถอะของเพียงแค่นั้นเอามาเลยอย่าให้ไปแสดงฤทธิ์แต่มันไม่ดีหรอกแสดงฤทธิ์นะมันไม่เป็นผลดีอย่าไปให้แสดงเจตตัวเองแสดงไม่ได้เพางั้นเถอะพม้มันมันเลี่ยเรียบมันมากด้วยคนเรานะ่ะเศรษฐีเอ้ยถ้าท่านไม่ขึ้นเอาไม่ได้พวกผมได้พูดแล้วว่าถ้าว่าใครเอาไม่ได้ก็ไม่ได้ล่ะท่านทั้งหลายไม่ต้องมาพูด ท่าก็ทําให้เสียไปลําเวลาถ้าเราจะแสดงขึ้นไปนี่ก็เอาใจไงทําท่าจะกระโดดประกันเะไอ้ลูกสิทธิ์นี่ก็แย่ ๆ, ๆอาจารย์ภาษาปาดปุ่มไม้จันเท่านั้นอย่าไปแสดงนิดเถอะเสียไปลําเสียเวลาไม่เห็นเปิดประโยชน์เลยท่าจะลงมาเอาลงมาให้เลยไม่ควรจะแสดงนิดแสดงเด็ดหอกเรื่องเพียงแค่นี้ถูกสิทธ์แต่ที่แท้เนี่ยอาจารย์เนี่ยทําท่าประงันเถะ ทำท่าจะแสดงผลในที่สุดไม่มีใครขึ้นไปเอาทีนี่คนทั้งหรายก็โจดค้านกันแล้วจะถึงวันที่เจ็ดแล้วทีนี้ถ้าถึงวันที่เจ็ดไม่มีใครมาเอาแล้วกับเศรษฐีอะไรก็คงจะประมาทว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่พีพระหันแล้วมีแต่พูดกันพอเปล่าทั่วบ้านทั่วเมืองเฉยๆแต่นี้พระปินโทรธรวัชชะทีนี้ท่านอยู่ในป่าวัดป่าอยู่ในที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่เป็นลูกศิษย์ โมคขลาองค์หนึ่งว่างั้นแต่ปิณฑวทตรวัชชานเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชองหนึ่งเป็นผู้แสดงฤทธิ์ได้ว่างั้นแต่ไม่ใช่พระโมคคลาแต่ไปในแถวเดียวกันคือพระโมคขลาเนี่ยเป็นต้นตระกูลทางเป็นผู้มีฤทธิ์มากแต่นอกนั้นก็เป็นผู้มีฤทธิ์รองลงมาต่างฝ่ายภิกษุณีก็มีเหมือนกันนะฝ่ายภิกษุณีก็มีและกับฝ่ายพระสงฆ์ก็มีท่นี้พระพระปินโททตรวัฒชานี่ก็เลยโอ้ไม่ได้ เดี๋ยวเขาจะปาาราโมทในโลกว่าไม่มีพระอรหันต์พระหันมีแต่เราจะไปประกาศติดแง่งติดดาวอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกแต่ขคนมีอยู่ในจิตในใจมีแต่ผู้ที่ได้ศึกษาได้ฟังเข้ามาศึกษาตนเองจริงจะรู้เลยพระหันคืออะไรหันนะหันซ้ายหันขวาคืออะไรหันจริงๆพระหันจริงๆคืออะไรพระปินโทตรวัต ช, ชาท่าน ก, ก็เออไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเขาจะประมาท จนเกินไปเดี๋ยวคนจะตกนรกมากเกินไปอันนี้พระปินโถทรวัต ช, ช้าท่านก็มีเมตตาใช่ท่านก็เลยเอาตีนนิ้วเท้าขอคนนั้นคีบก้อนหินก้อนบากใหญ่ว่านั่นแหละพอขีบเสร็จแล้วท่านก็เหาะขึ้นไปบนอากาศก้อนหินก้อนนก็ติดในฝ่าเท้าของท่านเหมือนกันเถอะติดในนิ้วเท้าของท่านท่านคีบคนทั้งหลายมองเห็นโ อ, โอ้เห็นก้อนหิน ระวังนะอภคุเจ้านันิบให้ดีเนะานจะให้มันหลุดใส่หัวพวกข้าไปเจ้าเด้๋ใครหยุดมีตะกงตะก้าอยู่ที่ไหนใครๆวิ่งมุดเข้าไปหาพื้นเนหะือนกันลกลัวก้อนหินจะหลุดลงมาใส่หัวตัวเองวนะ่พะพระเป็นโทตรวัด ช, ชาติก็เอาคีบอมตีนเท้าแนวเท้านคีบควนหินรอบเมืองเสร็จแล้วก็สามรอบให้คนได้เห็นชัดเจนเหนะือนกันลจากนั้นก็โยน ก้อนหินเข้าไปที่เก่าตึบตรงนั้นแต่ก้อนหินก็ไปอยู่ที่เก่าจากนั้นพระปิณ陀ท ร, รวัพ ช, ชะก็ลงไปไปหยิบอบาดพอไปหยิบอบาดมาได้เท่านั้นแหละโอ้โหคนท่นี่นับถือเลื่อมใสเป็นพวนเลยนี่ยไปที่ไหนปิณ陀ท ร, รัพยชะไปไหนคนทั้งหลายนับถือเลื่อมใสแต่กระจุยกระจายมัไปที่ไหนคือฮาไปหมดท่นี่พราะพระเจ้าท่านสเสด็จประทับอยู่ที่ หลวงพ่อจําไม่ชัดชุดนี้นะให้พวกเราไปค้นดูอีกนะแต่ตํารานะ่ยพูดอย่างนี้แหละนี่ท่านอยู่กรุงสวัสดีหรือนะกรุงราชคกุ์เนี่ยแหละหลวงพ่อคิดว่าน่าจะเป็นกรุงสวัสดีซมากกว่านะแต่นี้ท่านก็ประทับพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ประทับอยู่คนทั้งหลายก็เจียว เ, เจ้าคนมาทีนี่เพราะเริ่องใส่ศรัทธาทีนี่ปินโทท ร, รวัตชะแสดงฤทธิ์แตนี้พระพุทธเจ้าก็ถามเอามันเสียงอะไรพระพุทธเจ้าถามว่า พระสงฆ์เลยกราบทูลว่าวันนี้ท่านปินโทธราวัชชะท่านแสดงฤทธิ์เหาะขึ้นไปในอากาศแล้วก็ไปเอาบาดของเศรษฐีปุ่มไม้จันแดงเอามาพระเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้ญาติโยมทั้งหลายก็เลยนับถือเลื่อมใสติดตามเป็นพวนเลยนี่คือพระรหันต์แท้ พ, พระพุทธองค์บอกโอ้ไม่ดีนะพระสงฆ์ทั้งหลายคือพระองค์ไหนแสดงฤทธิ์เนี่ยไม่ดี เพราะเหตุว่าองค์ไหนแสดงฤทธิ์ได้องค์ที่ไม่แสดงฤทธิ์ล่ะท่านก็เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอยู่แต่บางท่านท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพร้อมที่จะปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานได้อยู่แต่คนทั้งหลายเขานับถือแต่ผู้มีฤทธิ์มีเดชเทไงเขานับถือแต่ผู้มีฤทธิ์มีเดชผู้ไม่มีฤทธิ์มีเดชล่ะจะอยู่ในศาสนาได้อย่างไรจะมีอยู่มีชั้นไหมเนี่ยเขาจะใส่บาตรเขาจะทําบุญให้ไหมพระองค์นี้ไม่มีฤทธิ์มีเดช เขาจะให้แต่พวกองค์ที่มีฤทธิ์มีเดชเท่านั้นเพราะนั้นทําให้ศาสนาของเราจะถา ต, ตะถาคขเสื่อมเหมือนกันนะพระแสดงฤทธิ์ไม่เป็นผลดีอา้าวประชุมสงฆ์ทีนี้พระพุทธเจ้าเลยประชุมสงฆ์พอประชุมสงฆ์เสร็จแล้วพุทธเจ้าก็บัญญัติวิ น, นัยบอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระสงฆ์รูปใดก็ตามที่แสดงฤทธิ์ถือเป็นโลกิยะฤทธิ์ก็ ด, กดีโลกุตตะละฤทธิ์ก็ดี คือโลกิยาฤทธิ์อย่าคือพวกเป็นโลกิยะยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างเทวทัตแสดงฤทธิ์ได้อย่างนี้แหละเรือว่าพระสงฆ์บางองค์ที่ท่านได้ฌานนั่งสมาธิจิตใจสงบ ข, ของท่านแสดงฤทธิ์ได้อย่างนี้แหละอันนี้เว้ยโลกิยะเสื่อมได้โลกิลยนะฤทธิ์เนี่ยแต่โล ก, กตลลุตตนะลฤทธิ์เนี่ยคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชภิกษุใดก็ตามแสดงฤทธิ์เพื่อไหนเรื่องอะไรก็ตามแสดงฤทธิ์ เพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าตัวเองมีฤทธิกก์ปรับอวบัดทุกกฎปรับอวบัดทุกกฎองค์ไหนแสดงฤทธิ์เพราะจะทําให้ศาสนาของเราสั่นสะเทือนเพราะว่าองค์ที่ไม่มีฤทธิ์อ่ะจะอยู่จะชันยังไงจะเป็นอยู่อย่างไรด้วยปัจจัย4คนทั้งหลายก็ไปลุมกันให้แก่ผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชเพราะฉะนั้นไม่ทําให้ศาสนาของเราตถาคตเสื่อมหมดไปได้ง่ายไม้จัน ที่ได้มาแล้วก็เอาไปทุบซะแบ่งกันซะทุบซะแล้วก็ทําเป็นยาหยอดตาสมัยนะั้นะไม้จันแดงเป็นยาหยอดตาอย่างดีเยี่ยมเลยงั้นจ้ะท่นนี้นก็เลยทําเป็นยาถวายพระสงฆ์กันไปหมดตั้งแต่บัดนั้นมาพระสงฆ์ก็เลยทราบาพระพุทธองค์บัญญัติห้ามวินัยไม่ให้แสดงฤทธิ้พวกเดล ถ, ถีก็บอกอะไรตันึ่ได้เรื่องเลยตันึ่พวกเดล ถ, ถีบอกว่านั่นแหละที่เราไม่แสดงฤทธิ์เนี่ย ส ม, มณโคตร ม, มาพูดถูกต้องเพราะเหตุนั้นเราจรึงไม่แสดงฤทธิ์เห็นไหมขนาดสาวกแสดงฤทธิ์มาส ม, มณโคตรเขายังมันจะห้ามไม่ให้แสดงฤทธิ์เนี่ยเรารู้ก่อนแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเราจรึงไม่แสดงที่แท้ตัวเองแสดงไม่ได้ว่าการแต่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหลายโคชนาประชาสัมพันธ์เนี่ยจากนั้นก็พุทธองค์ก็โอ้ไม่ได้มันการหลบหลู่เหมือนกับตีเสมอเราตีเสมอศาสนาของเรา แต่นี้พุองก็บอกว่าพอมันหนาหูขึ้นเลยพุทธองค์ก็บอกว่าจากนี้ไปสามเดือนเราตถาคตจะแสดงฤทธิ์ทีนี้เอาละทีนี้พุทธเจ้าจะเป็นผู้แสดงฤทธิ์เราจะแสดงที่ต้นมะม่วงในบริเวณนั้นบอกสถานที่อีกด้วยเมืองสังกัสรานครอนนัหะหรือที่เมืองไหนก็ไม่รู้เลยในกรุงสวัสดีนะผมก็จำไม่ได้แต่ตอนเสด็จกลับเนะี่ยคือเสด็จลงมาที่เมืองสังกัสรานครนมาแล้วอะ ตอนี้เราจะแสดงจุดนั้นที่แสดงที่ต้นมะม่วงทีนี้พวกเตณถีได้ยินทนีนี้พวกนอกศาสนาเอ้ยพระพุทธเจ้าสัมปณโคตรมจะสแสดงดิตเลศแถวนี้แหละแถวท้องนาแถวทุ่งสนามหลวงแถวนี้แหละเอาตัดต้นมะม่วงทิ้งต้นมะม่วงอยู่ต้นต้นเล็กต้นน้อยตัดทิ้งหมดวันนั้นเด้อให้แหี่ยนหมดเลยไม่มีต้นมะม่วงเลยางงาลวันนั้นเดอเพราพระพุทธเจ้าจะแสดงต้นมะม่วงจะแสดงที่ไหน จะเป็นจับคํำเทศพระพุทธเจ้าอีกว่าพระพุทธเจ้าสมณะโคโดมเนี่ยแสดงที่ต้นมะม่วงเราตัดทิ้งหมดแล้วตนแถบแถบนี่เนะี่ยบริเวณเนี่ยเป็นคําพูดที่หาความจริงไม่ได้แล้วจะแสดงที่ไหนเราตัดทิ้งหมดแล้วเนะี่ยอันนี้พวกนอกศาสนาเขาเขาจะคมขู่ตูกันมางั้นเ่อะกดกันมางั้นเถะแต่พระพุทธเจ้าก็ถึงวันที่จะแสดงฤทธิ์พระพุทธเจ้าก็ไปบินทบาทวันนั้น นายอุทยานไปเห็นมะม่วงนอกฤดูกาลมะม่วงใบนั้นมันอยู่ในอยู่ในลังมดแดงเหมือนกันฮะมดแดงมันทำรังหุ่มม ะ, มะม่วงใบนั้นอยู่ทีนี้พอมามะม่วงมันสุกโอ้ใบใหญ่ใบสวยนายอุทยานเออมะม่วงใบนี้เราจะนำไปถวายพระราชาเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาเราควรจะถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้แหละต้นเหตุนนะ ตอนี้พระพุทธองค์ก็ปินธบาตนายอุทยานเลยถวายมะม่วงพระพุทธองค์ก็ฉันผลมะม่วงพอฉันเสร็จแล้วก็เลยบอกให้ hey, นายอุทยานเอาเอาไปปลูกต้นนั้นไปเอาไปปลูกต้นนั้นพอไปปลูกต้นนั้นเสร็จแล้วพอปลูกปุก๊บท่านแสดงฤทธิ์นี่ใช่ไหมต้นมะม่วงขึ้นพอเป็นล่มเงาต้นบ้าใหญ่ขึ้นมาถึงพอฤทธิ์นี่ใช่ไหมแสดงฤทธิ์เนี่ย ทีนี้พระองค์ก็ประกาศเลยทีพระสงฆ์ทั้งหลายอุบาห์พวกสาวกสาวิกาสาวกาาวก็คือพระสงฆ์สาวิกาก็คือพิกชุนีที่เป็นฝ่ายหญิงเหมือนกันน่ะเข้ามาพร้อมหน้ากันเลยบอกว่าท่านทั้งหลายเราจะเป็นผู้แสดงฤทธิ์ให้พวกท่านทั้งหลายได้ดูมีคนคัดค้านว่าเอาทําไมสมณะโคดมทําไมท่านจึงแสดงฤทธิ์ท่านห้ามคนอื่นแต่ท่านทําไมแสดงพระพุทธเจ้าบอกว่า ศาสนาเนี่เป็นศาสนาของเราตถาคตเราตถาคตได้ตัดรู้เราตถาคตเป็นผู้บัญญัติเหมือนกับสวนมะม่วงสวนมะม่วงเป็นของเราแต่ถ้าใครจะเอามะม่วงไปกินต้องได้รับอนุญาตจากเราก่อนเราอนุญาตจะก่อนแต่นี้เราเป็นสวนมะม่วงเราจะเอามากินเองได้เพราะเหตุอะไรเพราะพุทธศาสาานาเป็นของเราตถาคตเราตถาคตเป็นเจ้าศาสนา เราจะทำอะไรก็ได้คนอื่นจะว่าเราไม่ได้เพราะเราเป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระศาสนาที่เราประกาศไปนี่แต่ผู้อื่นเป็นสาวกสาวกะที่จะทำที่เราบัญญัติไว้แล้วต้องปฏิบัติตามที่เราได้บัญญัตินั่นคือเป็นสานุสิทธิ์ของเราเป็นพระภิกษุของเราเป็นภิกษุณีของเราที่เราบัญญัติให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัยแต่เราอยู่เป็นผู้บัญญัติ เราจะทําอะไรก็ได้เมือ่อเราเป็นเจ้าของสวนมะม่วงนี่ยพระองค์ออกไปแป๊บเดียวออกไปหลีกไปแป๊บเดียวท่านเองเมือนั่นะใครจะตำหนิท่านก็ไม่ได้ท่านเป็นเจ้าของสวนมะม่วงจริงๆเมื่อนั่นะทีนี้ก็พระโมคคลากขาบอกว่าภาษาไรบุตรว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ไม่จําเป็นจะต้องออกฤทธิ์ออกเดชหรอกข้าพผมพวกก้าผมเองทําได้แสดงฤทธิ์จะให้พวกข้าพระองค์ทําอย่างไรพะพุทธองค์ก็ถามว่าท่านจะทําอะไร พระโมกขาลาก็บอกว่ากระผมจะต้องแสดงฤทธิ์อย่างนั้นจะต้องให้เป็นท่อน้ําท่อไฟให้เสียงสีอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายไปเออเอาฟังไว้ก่อนองค์นั้นก็ขึ้นมาแสดงอีกพวกข้าพองค์จะทําอย่างนี้ย่งนั้นโอ้มีหลายองค์ทั้งไฟพิกจุนีก็เหมือนกันจะแสดงฤทธิ์แทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากิยาเอาฟังดูซิจะแสดงอย่างไรเแต่ละท่านแต่ละคนกับพร้อมที่จะอวด ให้เข้ามาจะกราบทูว่าจะแสดงให้ดีที่สุดในการแสดงฤทธิ์ในครั้งนี้แต่นี้พระองค์ก็บอกว่าอย่าเลยเอาพอจบแล้วอันนั้นเป็นหน้าที่ของเราคราวนี้เป็นหน้าที่ของเราตถาคตแสดงยมกปฏิหารในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งทุกๆพระองค์จะต้องมีการแสดงยะมกปฏิหารให้แก่พุทธบริษัทได้ดู ได้ชมว่าพระพุทธเจ้ามีขีดความสามารถขนาดไหนเรื่องลิตรเรื่องเด็ดเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายจงดูดูเราจะถาคตจะแสดงลิตเดต็ดให้ดูในวันนี้พวกท่านหลายต้องดูพอเสร็จแล้วพระองค์ได้เวลาก็แสดงลิตให้แก่ผู้คนทั้งหลายได้เห็นเลยว่างั้นเถิดเพ่งท่อน้ําเพ่งท่อไฟเพ่งเสียงสีทุกอย่างอยู่บนอากาศสรันวันไว้ไปหมดว่างั้นเถิดคนทั้งหลายโอ้ ฤทธิเดชของพระพุทธเจ้ามีจริงๆริงพอเสร็จแล้วพอแสดงฤทธิเป็นที่พอพระไทยแล้วพระองค์ก็บอกว่าในพรรษานี้ที่จะจําพรรษานี้เราตถาคตจะไปจำพรรษาบนชั้นดาววดึงแล้วเมื่อออกพรรษาแล้ววันออกพรรษาเราตถาคตจะเสด็จลงมาที่เมืองสังกัสรนครนท้าวจัตไทยาทติโยผู้ใดอยากจะพบกับพรตะตถาคตก็ให้ไปคอยพบ ที่เมืองสังกัสรานครนะจากนั้นพระองค์ก็เดินขึ้นไปจนหายเข้าท้องฟ้าเข้ากีบเมฆไปเลยหายเงียบไปเลยพระคนทั้งหลายก็โอ้ได้เห็นเลยจากนั้นกับคนก็เลยเฮโลไปไปเตรียมตั้งทัพไปตึง ป, ปะลงปะล้ำอยที่เมืองสังกัสรานครเพื่อจะได้คอยรับพระพุทธเจ้าในวันออกพรรษาทีเดียวนี่แหละ เทม่เมื่อพระพุทธองค์ได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ท่นี้พุทธองค์บอกว่าโยมบรรดาของท่านเมื่อประสูตดพระองค์ศิตทธะพอประสูตได้เจ็ดวันโยมบรรดาของท่านก็ได้สวรรค์นกจากนั้นก็ขึ้นไปเกิดอยู่ชั้นรุสิโยมบรรดาของท่านได้เกิดไปอยู่ในสวรรค์ชั้นรุสิแต่เมื่อพุทธองค์ขึ้นไปชั้นดาวดึงเทมบุตรที่เป็นโยมบรรดาของท่าน ลงมาลงมาฟังธรรมเทศนาอยู่ชั้นดาวดึง พ, บพบระพุทธองค์แสดงขึ้นไปขาวนั้นเป็นนั่งอยู่ในธรร ม, มาทอันเดียวเพราะว่าเทวดาชั้นจาตูมเนี่ยร้อยปีในเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นจาตูมเหมือนกันแล้วก็ร้อยปีในชั้นจาตูมเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งในชั้นยามา ลักษณะอย่างนั้นอ่ะจนถึงชั้นดาวดึงเนี่ยมันก่อนสามี่ชั้นหรือสามชั้นใช่ไหมก็มากกพอสมควรพระพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งบนธรร ม, มาตสามเดือนมันเพียงไม่กี่นาทีท่านเองทีนี้พระองค์ก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนธรร ม, มาตเสร็จแล้วก็โยมมารดาของท่านเป็นเทวบุตรลงมาฟังธรรมพระองค์ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เป็นพุทธรูปเป็นเทวรูปแสดงธรรมได้เป็นแท่งแสดงธรรมได้แต่พระองค์ เป็นร่างกายเป็นมนุษย์ใช่ไหมล่ะพอได้ตอนเช้าพระองค์ก็ลับๆออกมาไปบินธบาทดูทวีปหนึ่งแว่าในในโลกนี้มีอยู่สทวีปนะอุดรทุลุทวีปสุมภูทวีปของเราเนี่ยชมภูทวีปนะแล้วอุดรกุุทวีปทวีปมี4ทวีป4แล้วก็ทวีปน้อยเหมือนกับว่าทวีปน้อย2000เป็นบริวาร ในแบบมือนก็เรามองขึ like. like ้นท้องฟ้าอย่างนั้นอ่ะท้องฟ้าเนี่ยมันบริวารของทวีปทั้งหมดว่างั้นอ่ะเหมือนกเกาะเล็กเกน้อยพวกดาวทั้งหลายอันนี้ก็คือเกาะใหญ่ก็คือโลกมนุษย์ก็คือดาวใหญ่เหมือนกันแะดาวใหญ่ดาวดวงเดิมเหมือนนอ่ะแล้วก็มีดาวอีกสี่ดวงที่ดวงใหญ่พระพุทธเจ้าไปบินธบายในดาวดวงใดดวงหนึ่งคนทั้งหลายก็ทำบุญคนที่จิตใจเป็นกุศลอยู่แล้วพระองค์ก็ฉันจังั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปกัเข้าไป ในสู่นั่งที่เก่าอีกเข้านั่งเข้าร่างทรงอีกคือพระพุทธโลกเนะ่ยเข้าไปเลยแต่เทศไม่มีระหว่างเลยเหมือนกันเะเทวดาก็ น, นั่งฟังพระพุทธองค์แสดงพระอภิธรรมทั้งหมดนี่แหละพระอภิธรรมทั้งหมดท่านโปรดพระมารดาของพระพุทธเจ้าน่ะในชั้นดาวดึงในครั้งนั้นในพรรษานั้นสเดือนพระพุทธองค์โปรดพระมารดานั่งอยู่อาชนะเดียวแต่ว่า ทุกวันพระองค์ก็ออกจากร่างมากับมาบิน่บาทฉันจะแล้วว่าเอาเข้าไปร่างอีกแต่ว่าร่างนั้นเป็ว่าเหมือนกับพระพุทธ ร, รูป น, นั่งเทศอยู่ตลอดเลยเพราะงั้นจะพระองค์จะให้เทศเรื่องอะไรเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนั้นละ <c ười> บอกให้คอมพิวเตอร์พูดอย่างนี้อย่างนี้นะคอมพิวเตอร์ก็พูดไปเรื่อยเพราะงันตามที่พระองค์ให้กำหนดให้พูดมเหมือนกับเขาใส่โปรแกรมเข้าไปแล้วก็อัดเข้าไปแล้วกันะ คอมพิวเตอร์ก็พูดตามโปรแกรมที่เราอัดเข้าไปเนี่ยพุทธายาวพท่านน่ะท่านมีโปรแกรมให้พุทธรูปแทนพระองค์เป็นผู้เทศชนาแทนนั่นแห ะ, ะจากนั้นก็เทศอภิธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงเทวดาน่ะไม่มีรูปไม่มีฟิลูเวทนาจัญญาสังขารมีแต่นามธรรมคือหัวใจดวงรู้เท่านั้นเลยท่านจึงได้เทศว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมมา อ, าารรมมาอพยากตาธรรมมาเนี่ย มีแต่ธรรมกุศลจิตที่เป็นกุศลอกุศลธรรมะจิตที่เป็นบาปอากุศลอัพยากตาธรรมะจิตที่เป็นบาปอากุศลนี่แหละพระพุทธเจ้าพูดในสามเดือนนั้นย้ำอยู่จุดนี้เทศให้เทวดาฟังว่างันจ้ะสามเดือนจากนั้นพอจบครบสามเดือนแล้วพระองค์ขอเออครบครั้งเดือนและวโปรดพระมารดานเป็นที่พอใจเป็นที่พอพระทัยแล้วทดแทนบุญคุณของบิดามารด า, นานแล้ว ส่วนพระบิดาพระเจ้าจุโทธนะพระพุทธองค์ก็เข้าไปเทศถึงห้องบรรทมนะไปเทศที่แรกเมื่อพระองค์เสเด็จกลับไปกรุงราชคือพระเจ้าจุโทธนะได้ฟังธรรมเทศนาได้สำเร็จพระโสดาบันต่อมาอีกพระพุทธเจ้าไปโปรดอีกพระเจ้าจุโทธนะได้สาเร็จเป็นพระอนาคามีพอป่วยหนักพระพุทธองค์เจด็จเข้าไปพระอานนท์กับพระราหุน พอไปโปรดในที่บรรทมเลยพอไปที่บรรทมพระธองค์ก็เทศให้ฟังในที่บรรทมพระเจ้าจุโทธทนะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ท่านไม่ได้บวชนะท่านเป็นคารวาสได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์จากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับออกมาจากห้องบรรทมบอกว่าได้ส่งพระบิดาข้ามฟากแล้วปลอดภัยแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วตายแล้วอยู่ไม่มีความหมายอะไรแล้ว พระพุธองค์โปรดถึงขนาดนะโปรดพมารดาท่านไม่ได้ทิ้งไม่ได้ปล่อยปะละเลยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะอย่ามองข้ามนะคุณบิดามารดาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้มองข้ามนะขณาท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่รู้จักโลกวิถีรู้รู้แจ้งโลกทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านยังโปรดพมารดาของบทพระบิดาของพระองค์ในห้องพระบรรทมจนได้สาเร็จเป็นพระอรหรันต์ จากนั้นท่านก็โปรดพระมารดาของท่านอีกอยู่บนสวรรค์อีกแต่ไม่ได้แจ้งว่ามารดาของท่านเได้สําเร็จมรรคผลอะไรในตําราท่านก็ไม่ได้บอกไว้เหมือนกันนะไม่ได้บอกไว้หลงพ่อศึกษาอยู่จุดนี้ไม่ท่านไม่ได้บอกว่ามารดาของท่านท่านเทศสามเดือนนั้นเทวดาได้สําเร็จขั้นไหนอันนี้หลวงพ่อไม่รู้ว่างั้นแต่จุดนี้อาจจะมีอยู่แต่หลวงพ่ออาจจะศึกษายัางไม่ถึงยังไม่เห็น จุดนี้จากนั้นพอสมเดือนครบสเดือนพระพุทธองค์ก็เสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงพร้อมกับเทวดาพระอินท์เป็นผู้นํามาส่งพระองค์ก็เดินเฉลตุมาจากโผลเหมือนกับบันไดลงมาจากท้องฟ้าอย่างนั้นนะ่ะพวกพี่น้องประชาชนชัฏทาญาติโยมทั้งหลายก็เห็นพระพุทธเจา้าเดินลงมาจากท้องฟ้าจากนั้นก็พระองค์ก็ได้มาบิณฑบาตโปรด ศรัทธาญาติโยมที่เขารอใส่บาตรอยู่นี่แหละท่านจิงว่าวันออกพรรษาเป็นวันตักบาตรเทโบไม่ใช่ตักบาตรเทวดานะตงกบาต ท, ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาสู่เมืองมนุษย์ออกมาจากชั้นสวรรค์ชั้นดาววดึงนี่แหละขอให้พวกเราท่านศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะพวกเราท่านทั้งหลายเข้าใจให้เด็บฟังเอาไว้ว่านี่แหละความเป็นมาของ วันตักบาดเทโบเนี่ยเป็นอย่างนี้จากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงธรรมเมื่อมาถึงแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งพระสงฆ์ในกลุ่มนั้นที่มาคอยรับพระองค์ก็ได้แสดงธรรมโปรดศรัทธาญาติโยมเพราะสมเดือนพระพุทธองค์ไม่ได้เทศนาให้เมืองมนุษย์ฟังเลยเหมืนน่ะมีแต่ไปไปโปรดเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงโปรดพระมารดาเทวดาโอ้โหเต็มไปหมดชั้นดุสิตชั้นดาวดึง ขึ้นไปอยู่กองกันเต็มไปหมดที่พระองค์ไปเทศนาว่าการในสามเดือนนั้ น, นะจากนั้นพอลงมาพูดองทมกุลทโปรดมนุษย์อีกท่นี้พวกมนุษย์พอได้ยินได้ฟังเกิดความเคารพนับถือเทียมใสเป็นยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชรณะเป็นที่ถึ่งมากจากนั้นก็ได้ฟังธรรมได้าสาเร็จพระโสดาพระสกทาคาณาคาอรหันเนี่ที่พระพุทธเจ้าได้มาปโปรดในวันนั้นก็มากอีกเหมือนกัน น, นี่แหละ ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้แกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังแต่ถึงยังไงก็ตามทีนี่ทุกสิ่งทุกอย่างกรรมคือการกระทําพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําให้แก่พวกเรามีแต่เป็นผู้แนะเป็นผู้ชีน้นําเป็นผู้บอกกล่าวอย่าทําเน้อเด็กชูเจ้าจะไปจับไฟเน้อไฟมันร้อนนะ อย่าไปตกเหวตกบอ่อหนั่นตัวนั้นมันเป็นเหวนะมันเป็นบ่อนะเป็นเป็นอสรพิษนะเป็นเครื่องที่อันต ร, รายนะเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกกล่าวทางที่สันติคือทางที่ประสบสุขนั้นต้องเดินทางนี้น ะ, ะมักแปดหนะ้าหนทางที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องเดินอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้หนทางให้แก่พวกเราเดินไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้จับมือแล้วก็บิดกับหัวใจของคน ใจของคนไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกกล่าวควรผู้ที่จะทําหรือไม่ทําเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถาาว่าพวกเราไม่เชื่อในพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจา้าไม่เชื่อไม่เชื่อพระองค์ก็ทําอะไรไม่ได้อีกเหมือนกันเหมือนกับเทวทัตเนี่ยบวชกับพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเทวทัตท่านจะไปให้ความสําคัญในโลกามิทธต่างๆเดืองราบเดืองยศ เรื่องสรรเสริญเรื่องสุขทางโลกโลกนั่นน่ะเหมือนกับสเลดที่น้ําลายเราพระอริยะเจ้าถุยออกไปแล้วท่านจะไปกินจะไปให้ความสําคัญจะไปกินถุยของสเลดของพระอริยะเจ้าพระเทวทัตก็โกรธว่าพระพุทธเจ้าดูถูกตนเองนะ่ะตามไม่จริงก็ดูถูกจริงๆนะไม่ใช่ดูผิดเลยกกว่างี้นดูถูกว่าเงี้นถูกเป็นน้าลายของพระอริยะเจ้าจริงๆนะ่ะเรื่องราบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญ เทวทัตก่อนนี่ยแหละได้ผูกอาฆาตปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยาทำรรสิ่งนั้นมันไม่ทูกกาบทำรรนี่แหละอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายสัตยาญาติโยมทุกคนเนะี่ให้ฟังฟังธรรมเทศนาอย่างศีลห้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดย้าแล้วย้ําอีกอย่างเนี้ยมีเหตุมีผลไหมเป็นยังไงจากนั้นก่อเรื่องปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาอย่างนี้ถึงจะออกพรรษา ความตายก็ไม่ใช่ออกจากพวกเรานะแขวนอยู่ที่ที่คอของเราไปทุกก้าวย่างแบงนั้นเถอะเผล่เยังใกล้เขาทุกทีทุกทีทุกทีทุกทีทกท็ไปอีกไม่รู้ว่าวันไหนเพรา ะ, ะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีถึงจะเป็นพวกผู้ที่จะไปสู่คารวาสเหมือนกันถึงจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็ตามอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่รู้จะวันไหน อย่างที่หลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกว่าพวกเราตายแล้วไม่สู่หน้าบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทำในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วนั่นล่ละความที่ไม่ดีนั่นนะจะเป็นเพื่อนสองของเราจะพาเราไปสู่ทุกขติไปสู่ไปหาความชั่วช้าเสียหายแต่พวกเราทำแต่คุณงามความดีบุญกุศลนั่นะเป็นเพื่อนสองของใจเราและจะพาเราไปสู่สุขคติ ไปในะสถานที่ใดเป็นที่เป็นสถานที่พึงปรารถนาทางนั้นพระบุญพาไปนะถ้าบาป พ, พาไปไมิตรทางตกต่ำเข้าโศกเข้าเหวลงป่ารงพงภัยไปในสิ่งที่ชั่วช้าลามกเสียหายทางนั้นเพราะนั้นพวกเราอย่ายินดีในความชั่วเสียหายให้พร้อมพากันตั้ง อ, อกตั้งใจสั่งสมคุณงามความดีก่อนหลับก่อนนอนก็ไหวพระสวดมนต์ ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ Job, เป็นศรณะเป็นที่พึ่งอย่ญญางที่หลวงพ่อได้พูดน่ยพุทธทางธรรมังสังฆ์สัตวรนังคาฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นศรณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นศรัณะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ เลื่อนลางนับถือศาสนาอะไรทั้งหมดไม่นับถือผูดผีปีศาจไม่นับถือใครทั้งหมดเพราะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเทวดาจะเป็นพูดผีปีศาจจะเป็นพระพรมก็ตามจะเป็นพระอะไรก็ตามยังมีกิเลสอยู่ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ยังให้โทษให้คุณเราได้อยู่แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะมีแต่พระคุณทางนั้น มีแต่ให้คุณไม่ให้โทษเป็นเงั้นแต่เพราะฉนั้นเราสิ่งไหนก็ตามสิ่งไหนที่ให้คุณแก่เราเราจะนับถือจุดนั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านไม่มีกิเลสความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวนไม่มีทั้งหมดแต่เรารับถือเทวดาบางทีท่านพอใจท่านก็ประทานพรให้ถ้าท่านไม่พอใจแต่ท่านก็บียดเบียนไม่ให้เราอย่างเนี้ยก็มีเทวดาที่ มิจฉาทิฐิอย่างนี้ก็มีที่พระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกมีเทวดามิจฉาทิฏฐิเหมือนกับคนคนเราเนี่ยจังมีกิเลสอยู่คุ้มดีคุ้มร้ายว่างั้นเถอะคุ้มดีคุ้มร้ายถ้าใจดีมาก็เออให้หมดทุกอย่างถ้าพอใจไม่พอใจเท่านั้นแหละออทั้งที่มันจะให้อยู่มันก็ไม่ให้เกิดโมโหโทโสโกทาเบี้ยวเสดื่อว่างั้นเถอะเพราะเหตุไรเพราะว่าคนมีกิเลสนะ เทวดามีกิเลสกับลักษณะอย่างนั้นแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าตรงไปตรงมาสมควรจะได้ได้เลยแต่สมควรจะให้ให้เลยด้วยเหตุด้วยผลด้วยบุญด้วยกุศลที่พวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่บ้านนั่นแหลออกพรรษาแล้วให้ออกแต่พรรษ า, ออษาจิตใจของเราอย่าได้ออกจากศีลจากธรรมจิตใจของเราให้มุ่งมั่นในศีลในธรรม เป็นผู้นักแน่นในศิลในธรรมอยู่เสมอชีวิตของพวกเราจะราบรื่นจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจแล้วก็คิดอะไรขึ้นมาก็จะสมความมุ่งมาตนปรารถนาและก็พร้อมกันเนี่ยที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้านี่นะพวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานพระพุทธอุดมมงคลของพวกเราถ่าว่าพวกเราออกปรรษาแล้วก็เออขอพรน น, ะนีนะ เมื่อเราทำดีแล้วก็เราขอพรจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอพรจากพระพุทธปฏิมาบุญกุศลที่พวกเราได้ทำไว้ดีแล้วนี่แหละจะประสิทธิประสาทพรให้แก่พวกเราพวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบหรือว่าไม่นอกเหนือไม่ค้ากำไรเกินควรเหมืกะพระุธองค์ก็คงจะประทานพรให้แก่พวกเราพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจ วันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดในแนวหนึ่งให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัะนารายัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองขอให้พวกเราร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันเทิน